อปาเยสูดนะครับชนสองพวกเกิดในอบายสองสูตรนี้ลึกซึ้งมากนะครับสูตรนี้ฟังง่ายครับสูตรนี้นะครับฟังแล้วตื่นหมดแล้วครับที่หลับๆเนี่ยลองฟังดูนะจริงอยู่พระสูดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพท่ารหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นครัพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายชนสองพวกนี้จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกนะครับเพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้า แล้วว่าตกนรกแน่นอนนะครับสองพวกเป็นฉไนคือผู้ไม่ใช่พรหมจรีปฏิญญาณว่าเป็นพรหมจรีคือไม่สํานวนว่าไม่เป็นคนไม่มีศีลนะครับแต่ปฏิญาาว่ามีศีลนะครับอย่างหนึ่งนะหนึ่งก็คือคนที่ยกตัวอย่างเ ป, เป็นปราชิกแล้วนะครับคือไม่เป็นพรหมจารีแล้วนะครับแต่ก็ปฏิญาาว่าเป็นพรหมจารีนั่นเองนะครับ สองผู้ตามกําจัดชนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอพรหมจรรย์อันไม่มีมูลเนี่ยหนึ่งคือคนที่ตามโจดคนอื่นนะครับว่าคนอื่นเขาบริสุทธิ์เนี่ยนะก็รู้อยู่แต่ก็หาโจดเขาว่าเป็นตรราชิกเป็นต้นนะครับอย่า ง, งนี้หนึ่งนะดูการพิสูจน์ทั้งหลายชนสองพวกนี้แลจากเกิดในอบายจากเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้านี้นะครับถ้าไม่ละนะตกนรกแน่นอนนะครับถ้ายัง มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับพฤติกรรม2 อ, อย่างคือ1ไม่ใช่พรหมจารีคือไม่มีศีลแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีนะครับคือตัวเองเนี่ยหมดพรหมจรย์ไปแล้วแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นผู้มีพรหมจรันอยู่นะครับหรือว่าผู้ที่เที่ยวโจดคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับด้วยพรหมด้วยอะพรหมจรันอันหามูลไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้เป็นปรราชิกอะไรก็รู้อยู่แต่ก็หาเรื่องโจดไปอย่างนั้นนะครับ2พวกนี้ตกนรกแน่นอนนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้กล่าวคําไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกนะครับหรือชนเหล่าใดทําบาปกรรมแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทําแม้คนทั้งสองนั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกันนะครับนี่คาถานี้นึกถึงใครครับนึกถึงเรื่องข่านางสุนทริกานะครับสุนทริกาปริภาชิกานะครับ ชนทั้งสองพวกนั้นเป็นมนุษย์ผู้มีกรรมอันเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าหมายความว่าตกนรกเหมือนกันนะครับคือหนึ่งคนที่พูดไม่จริงก็ตกนรกหรือว่าคนที่ทําแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำพวกนี้ก็ตกนรกนะครับคนเป็นอันมากอันผ้ากาสาวะพันคอนะครับผ้าย่อมน้ําฝาดนะสบงจีวรนพันคอนี่นะครับมีธรรมะอัลามกไม่สํารวมคนลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก เพราะกรรมอันลามกทั้งหลายก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันผู้ทุศีนบริโภคแล้วยังประเสริฐกว่าผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภค ก, ก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะประเสริฐอะไรนะครับนน่ะสูตรนี้ตื่นจริงๆนะครับทําไม่ตื่นนี่ก็หลับยาวเลยนะครับตกอบายนี่หลับสนิทเลยนะครับอวิชาเนี่ยท่วมทับหมดแนหะ บทว่าอปายิกาชื่อว่าอบายเพราะหมายว่าจะเกิดในอบายนะครับชื่อว่านรกเพราะว่าจะเกิดในนรกโอ้โหบทว่าอิธรรมหายะได้แก่เพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้าสองอย่างอันจะกล่าวถึงในบทนี้นะครับถ้าไม่ละนะแน่นอนเพราะไม่สละวาจาจิตและทิฏฐิอันเป็นไปแล้วด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นยกย่องมาอย่างนั้น คือหมายเขาว่ายังแมายคำพูดก็ยืนยันอยู่นั่นแหละจิตก็ยังเนียวแน่นอย่างนั้นแหละความเห็นก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละพวกนี้ก็จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกแน่นอนนะครับบทว่าอบรัมจารีความว่าชื่อว่าพรหมจารีเพราะประพฤติพรหมจันทร์คือธรรมะอันประเสริฐที่สุดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพรหมจารีเพราะมีความประพฤติในพรหมจันทร์อันประเสริฐที่สุดชื่อว่าอพรหมจารีเพราะไม่ประพฤติพรหมจันทร์อธิบายว่าคนทุศีลเป็นพรหมจารีปลอม นะครับคือคือพวกที่หนึ่งะครับบวชผิดผิดธรรมวินัยอย่างหนึ่งอ่ะนะอย่างหนึ่งก็คือพวกทุศีนะครับพวกปราชิกนะครับบวว่าบรมจารีปรตินโยได้แก่มีปฏิญญาอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมจารีบทว่าปริปุล น, นางได้แก่ไม่พิกลเพราะไม่มีอวัยวะหักเป็นต้นบทว่าปริสุทดทางได้แก่บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสบทว่าอมูลเกนะได้แก่ด้วยอพรมจรันคือด้วยความประพฤติไม่ประเสริฐ เว้นจากข้อมูลมีเหตุเป็นต้นคือเว้นจากการท้วงอันไม่มีมูลเหล่านี้คือได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้รังเกียจแล้ว<ม>บทว่าอนุทางเสติได้แก่ ท, ทั้งที่รู้อยู่ว่าผู้นี้บริสุทธิ์ยังกำจัดลุกรานท้วงหรือดา่านะครับยกตัวอย่างก็เหมือนกับพระอัสชิยและพระปุณณปสุกะที่โจดภิกษุโจดพระท่พระมารบุตรนะครับลักษณะนั้นนะครับ บทว่าอภูตวาทีได้แก่ยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นเลยกล่าวมุสาวาดโดยไม่เป็นจริงไร้ประโยชน์แล้วตู่ผู้อื่นบทว่ากัตวาได้แก่ก็หรือผู้ใดกระทำกรรมลามมกแล้วยังกล่าวว่าเรามิได้ทำกรรมนี้บทว่าอุโพ ป, ปิเตเปดจะสมะได้แก่ชนแม้สองพวกเหล่านั้นครั้นไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้แล้วเป็นผู้เสมอกันโดยคติคือเข้าถึงนรกนะครับ ในนรกนั้นกําหนดคติของชนสองพวกไว้แต่ไม่ได้กําหนดอายุของพวกเขาไว้นะครับหมายว่าสองคนนี้ตกนรกแน่นอนมีคติเสมอกันแต่อายุกับของการอยู่ในนรกไม่เท่ากันเพราะคนทําบาปมากย่อมไม่ในนรกนานคนทําบาปน้อยย่อมไม่ในนรกตลอดการเล็กน้อยเพราะกรรมของชนสองพวกนั้นลามกเหมือนกันคือตกนรกเหมือนกันแต่ระยะของการเวลาไม่เท่ากันเอาเจตนาเป็นหลักนะครับ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิหิณะกัมมามนุษชาปรทะชนทั้งสองเป็นมนุษย์มีกรรมเลวซามละโลกนี้ไปแล้วดังนี้นะครับคือหมายก่าวว่าทั้งสองพวงนี้นะครับเสมอกันในโลกหน้าคือหมายก่าวว่าตกนรกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงวิบากแห่งมูสาวาตอันเป็นไปแล้วด้วยการกล่าวตูคําที่ไม่เป็นจริง และปกปิดโทษที่เป็นจริงบัดนี้เพื่อจะให้เกิดสังเวทด้วยการเห็นวิบากแห่งกรรมชั่วของพิสุชั่วมากซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นนะในระหว่างที่พระองค์ตรัสคาถานี้ก็ยังมีพิสุที่เป็นประราชิกนั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับพระองค์ก็เลยสอนสองคาถานี้เลยว่ากาสาวะกันถาได้แก่มีคอพันด้วยผ้ากาสาวะเพราะมีรดน้าฝาดสีเหลือง บทว่าป่าประธรรมมาได้แก่ธรรมะอันลามกบทว่าอาสัญญาตาได้แก่เว้นจากความสารวมกายเป็นต้นบทว่าป่าป่าได้แก่บุคคลลามกเห็นป่านั้นเกิดด้วยกรรมลามมกย่อมเสวยทุกใหญ่ตามที่กล่าวแล้วในลักษณะสังยุตเมียที่ว่าแม้ร่างกายของเขาก็ร้อนพผลงมีไฟลุกแม้สังคาติก็ ร้อนนะครับก็เรื่องเปรตภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสัมมาเนเปรตสมมเนรีนะครับในลักษณะสังยุตหรือว่าในวินีตวัตถุจตุทะปาราชิกก็มีนะครับในคาถาที่สามพึงทราบความย่อดังนี้บทว่ายันเจพุนเชะยะได้แก่คนทุศีลคือไม่มีศีนไม่สัมรวมด้วยกายเป็นต้นปฏิญาณว่าเราเป็นสมณนะรับก้อนข้าวที่ชาวแว่นแขวนให้ด้วยศรัทธา บริโภคก้อนเหล็กร้อนมีแสงไฟอันผู้ทุศีลบริโภคยังประเสริฐกว่าดีกว่าคนทุศีลนั้นถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะการบริโภคก้อนเหล็กเป็นเหตุเขาก็พึงไม่ในอัตภาพเดียวเท่านั้นส่วนคนทุศีลบริโภคของที่เขาให้ด้วยศรัทธาเขาพึงไปเกิดในนรกหลายร้อยชาตินะครับจากนรกสู่นรกไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสู่ที่น่าคิดนะครับว่าถ้าไม่เป็นพรหมจารีบุคคลก็อย่าอยู่ซะนะครับไปหาอะไรรับจ้างกินไปวันก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็ไปเป็นสัมมนเนนซะปฏิญาณว่าเป็นสั ม, มนเนนก็ปิดอบายได้นะครับคือไปประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับอย่าไปยืนยันอยู่เลยเป็นยังไงครับผิดแล้วไม่รู้ตัวเช่น ก็ถ้าตามธรรมดาแล้วนะครับจะสงสัยนะครับถ้าเป็นแล้วนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีนั่งสบายใจเฉบอยู่แล้วเว้นไว้แต่ฝืนแต่ถ้าปกติน่าจะรู้รู้อยู่แล้วนะครับถือแต่แกล้งกลบเปลื่อนไปแกล้งทําเป็นไม่สนใจไปอะไรไปนะครับหมายความว่าไม่อยากจะชําระสาสางนะครับก็เป็นลักษณะนั้นแทนแต่ก็ตนของตนนั่นแหละครับน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับ ว่าตัวเองเป็นยังไงสังเกตดูนะครับว่าผู้ที่เป็นลักษณะนี้สังเกตว่าเช่นได้ยินฟังได้ฟังธรรมวินัยเป็นต้นและจะรังเกียดนะครับส่วนลักษณะนี้นะจะเดือดร้อนจะกินแหนงแคลงใจเป็นต้นเนี่ยครับไม่มีความสุขเวลาได้ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นก็บ่งแล้วนะครับบอกว่าน่าจะต้องมีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนหมายความว่าฟังธรรมเป็นต้นแล้วไม่เกิดปีติปราโมทหรือรังเกียดคําสอนนะครับเห็นใครพูดถึงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลก็เกลียดเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่า ให้เอกใจถือว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในภายในตัวเนี่ยนะนะครับเหมือนกับไข้ขึ้นแล้วนะครับโรคกำเริบแล้วนะ